โสมนัตก็แบ e per so, um, ่งออกเป็นสองคืออาศัยกลามกับอาศัยเนคขมมะโทมณัตก็แบ่งเป็นสองอย่างคืออาศัยกลามกับอาศัยเนคขมมะอุเบกขาก็แบ่งเป็นสองคืออาศัยกลามกับอาศัยเนคขมมะพึงเจริญโทมนัตอาศัยเนคขมมะเพื่อละเพื่อละอะไรเพื่อละโทมณัตอาศัยกลาม เจริญโสมนัสอาศัยเนคขมมะเพื่อละอะไรโสมนัสอาศัยกรรมเจริญอุเบกขาอาศัยเนคขมมะเพื่อละอุเบกขาอาศัยกามทีนี้ต่อไปนะว่าเจริญโสมนัสอาศัยเนคขมมะเพื่อละโทมนัสอาศัยเนคข <AM> มมะเจริญ อุเบกขาอาศัยเนธธรรมะเพื่อละอ่นะเพื่อละโสมรัตอาศัยเนธธรรมะแล้วก็อาศัยอะตมมยตาเพื่อละอุเบกขาอาศัยเนธธรรมะอะตมมยตาคือความไม่มีตัณหาอันนี้เป็นชื่อของวิปัสสนาญาณทั้งหลายมีสังขารุปเปกขาญาณเป็นต้นเพื่อเพื่อที่จะละพันการละนี่ก็เป็นไประดับสูง ทันเวทนาเนี่ยก็แบ่งออกเป็นสองไงที่พระองค์ตรัสว่ า, าพวกโสมนัสโทมนัสอุเบขาก็แบ่งเป็นสองคืออาศัยกรรมกับอาศัยเนธธร ม, มะที่อาศัยเนธธรรมะควรเจริญที่อาศัยกรรมควรละเพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่าอย่ากลัวเลยต่อความสุขที่เกิดจากกุศลสุขที่เกิดจากเนคธร ม, มะเป็นสุขที่ไม่มีโทษก็โสมนัสอาศัยกรมกอาศัย เช่นว่าคิดถึงหลานแล้วมีความสุขอันนี้เรียกว่าอาศัยกรรมมีหลานเป็นอารมณ์เนคขมะก็มีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยโสมนัสอาศัยกรรมนะคุณนุชก็มีหลานเก้าเดือนสิบเดือนใชนะ่บอกอุยอาสาธรรมันมีกําลังเต็มที่เลยท่องนั้นฉันทราคาแรงกล้า ม, มากดีหลานไม่ป่วยนะตอนที่ยังไม่ปวนะ่วยนะนั่นก็นี่เรียกว่าโสมนัสอาศัยกรรมที่ก็เล่าว่าความรักจบเยื่อในกระดูกเลยก็กลุ่มนั้นแหละ พอโสมนัสอาศัยเนคขมมะก็คือนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วปีติเกิดมากนะพุโทโธก็ปีติเลยเท่ น, นี้แหละเรียกว่าโสมนัสอาศัยเนคขมมะส่วนโทมนัสอาศัยกามก็มีปัญหาเรื่องวัตถุกามทั้งหลายเนี่ยนะทะเลาะแก่งแย่งเรื่องวัตถุกามเป็นต้นสงครามทั้งหลายเนี่ยเป็นโทมนัสที่อาศัยกาม ส่วนโทมานที่อาศัยเนคขมมะก็เช่นอ่านพระไตรปิฎกไม่ค่อยรู้เรื่องเสียใจว่าทาไมอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องทําไมวันนี้เจริญพุทธคุณได้ไม่เท่าเมื่อวานเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้ก็จะเป็นความเสียใจที่อาศัยเนคขมมะทําไมวันนี้เข้าฌานไม่ได้ทําไมไม่บรรลุสักทีหนึ่งเป็นต้นเนี่ยเรียกว่าโทมานท์อาศัยเนคขมมะส่วนอุเบคาแหละนะตอนเฉยตอนเฉยตอนเดินกับใช้ตอนตัง้งธรรมมันก็ ใช้ตอนธรรมดาทั่วๆไปควรละใช่ไหมใช้ตอนปังธรรมอันนี้ก็ดีกว่าใช้ในเรื่องอื่นน ะ, ะนะทางดําเนินของสัตว์สามสิบหกทำไมถึงเรียกว่าเป็นทางดําเนินของศัตว์ล่ะก็คื อ, อที่เรียกว่าทางดําเนินของสัตว์จะได้แยกว่าอะไรควรดําเนินอะไรไม่ควรดําเนินเพราะปกติสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเวทานานี้เป็นเหตุใกล้ของอะไรปกติไหมปกตินี่เวทานาเป็นเหตุใกล้ของ ปัญหาขันศัตรูทั้งหลายเนี่ยดําเนินไปตามนี้จริงๆนะเพราะฉะนั้นอทางดําเนินเหล่านี้จึงมาแยกเป็นมิจฉากับเป็นสัมมาที่อาศัยกามอันนี้เรียกว่าเป็นมิจฉาเห็นไหมไม่ควรดําเนินแต่ถ้าอาศัยเนฆามะควรดําเนินเห็นั้นแล้วก็ค่อยๆละอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆเห็นปะ มันก็ไม่จำเรียกว่าความสุขที่เกิดจากเนคธรรมะเป็นต้นเนี่ยจึงควรเจริญเป็นอย่างมากเจริญเวทนาก็โลกสามอะนะแต่นี้พูดในแง่ของการเจริญนะพระพุทธเจ้าสอนให้เจริญกลุ่มอัญญสัมนาเจิตติกมีไหมพระพุทธเจ้าสอนให้เจริญอัญญสัมนาเจตสิกเช่นมณนสิกานพรองค์ก็สอนให้เจริญใช่ เช่นโยนิโสมนัสิการเป็นต้นวิตกพระองค์ก็สอนให้เจริญคือเนฆะ ม, มะวิตกเป็นต้นสัญญาพราะองค์ก็สอนให้เจริญเช่นอุทุมาตะกะสัญญาเป็นต้นอสุภาสัญญาเป็นต้นฉันทะพระองค์ก็สอนให้เจริญอะไรฉันทะฉันทาทิปติทิฉันทิติบาทเป็นต้นเนี่ยนะวิริยะก็สอนให้เจริญนั่ปีติก็สอนให้เจริญ อธิโมกสอนให้เจริญไหมฉันท่าอธิโมกโขเนี่ยนะหรือศรัทธาทธิโมกโขเนี่ยนะและอะไรเจตนาสอนให้เจริญหรือไม่เจตนาสอนให้เจริญหรือไม่ อ, อ, ไมอ่นนะก็สอนให้เจริญสุดเจริตไม่ใช่หรือกายสุจิเตวิจีสุจิเรตคืออะไรเจตนาเนี่ยนะมีเจตสิกอะไรอีกบ้างชีวิตก็ยังสอนให้เจริญใช่ไหม เธอว่าโดยสรุปเนี่ยนะคือบางคนเนี่ยก็จะมาเลือกเอาเจตสิกที่อะไรนะในกลุ่มโสภณธรรมอย่างเดียวซึ่งจริงๆแล้วพระองค์สอนให้เจริญแนมะ้กระทั่งเจตสิกที่อยู่ในอัญญสมนาแต่ต้องเฉพาะที่เกิดร่วมกับกุศลก็ยกมาเป็นหัวข้อในการแสดงหมดเลยเนะยกมาเป็นหัวข้อในการแสดงธรำหมดทั้งวิตกอา่าขออภัยภาษะภาษะสอนให้เจริญหรือไม่ภาษะ สัญญตะภาาัสสะสัญญาตาสัมผัสเป็นต้นเลยนะก็อสอนให้เจริญนะสัญญตาตะสัมผัสอันนี้นี่ญญตาผัสสะเป็นต้นเ ย, ยนะผัสสะนะเวทนาสัญญาเอากักขตาสอนไหมโอ้ยมากที่สุดเลยอะเอกักขตาชีวิตดิณีมีไหมในคาถาที่อนาถบินเทียกกล่าวว่าชีวิตอันอุดม นะก็ชีวิตอนอุดมว่าชีวิตของใครเป็นชีวิตที่อุดมที่สุดก็เรื่องชีวิตก็สอนอนะวิตกวิจารสอนไนะวิจารนะนะก็เรื่ององชาญเนี่ยชาญพระพุทธเจ้าก็สอนวิตกวิจารณ์ปีติอธิโมกฉันทะสอนหมดเลยไม่สอนแต่อภุสสนเจตสิกแต่มีอยู่บ้างอาศัยตัณหาละตัณหาอาศัยมานะละมานะอาศัยอาหารละอาหาร อันนั้นที่นั่นอ่ะมีที่เหมือนดูให้สอนตัดล่าให้เจริญตันหาอันหนึ่งจเจริญโทมนัสอาศัยเนคขมมะอันนั้นอ่ะที่ฟังดูว่าเหมือนให้เจริณากุศลแต่ว่าถ้าดูในระยะยาวแล้วไม่เสียหายก็เหมือนอย่างว่าพ่อแม่ทั้งหลายอยากให้ลูกมีความสุขใช่ไหมใช่ผู้การเคยเคี่ยวลูกให้ไปเรียนหนังสือไหมเขาน้ําตานองหน้าไหม ซึ่งถ้าหากว่าดูแล้วจะเป็นไปเพื่อความเจริญในตอนตอนหลังๆอ่ะนะถึงตอนแรกกะบลำบากใจก็สอนถึงเขาจะเดือดร้อนบ้างก็ต้องแนะนำอ่ะนะเพราะมันมีประโยชน์ต่อเขาอย่างมากมีอยู่สูตรหนึ่งที่พระองคอุปมาเหมือนอะไรนะเหมือนอย่างว่าเด็กอ่อนที่ไม่รู้ภาษานะเห็นก้อนเหล็กก้อนหนึ่งก็จับเข้าปากเลยนะถามว่าผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เขาจะทำยังไง ก็จะให้เด็กมันคลายถ้าเด็กไม่คลายอ่ะมือซ้ายก็กอดไว้แน่นหน่อยนะมือขวาก็ล้วงปากแล้วก็ดึงออกมาเอาลูกเจ็บไหมเจ็บทาไมยอมจะให้ลูกเก็บลนะ่ะก็ว่าแต่ว่ามันจะดีในตอนหลังฉันใดถ้าเสียใจที่อาศัยเนคขมมะ ก, ก็ฉันนั้นมีประโยชน์ในตอนหลังๆแต่ก็มีพ่อแม่บางคนกลัวลูกจะทุกข์มากจนไม่ยอมให้ลูกเรียนหนังสือเห็นไหมเพราะความรักลูกมาก หนังสือก็ไม่ให้เรียนเรียนวิชาขับร้องโค้นรำอย่างเดียวตอนหลังก็ได้ลูกขี้เมาพลามสมบัติเกลี้ยงหมดเลยเดี๋ยวไปถึงเมืองพาราณสีนะเรื่องเอาเรื่องนี้มาคิดไว้สังเวทใจมากๆเลยนะนะชายหนุ่มคนหนึ่งลูกมหาเศรษฐีใหญ่พ่อแม่สงสารมากไม่ยอมส่งให้เล่าเรียนนะไปเรียนวิชาดีดสีปีเป่าร้องเพลงอย่างเดียวลูกเอ้ยเด้วใช้ชีวิตใช้สตงวลพันมลพันจนตายก็ไม่หมดเหมือนกัน นะพอรักโลกมากเนะแล้วก็ไปหาเมียชนิดเดียวกันนี่มาให้ด้วยนะรวยเท่ากันอะไรเหมือนกันนะฉลาดเท่ากันเนี่ยฉลาดแต่ขับร้องฟ้อนรําอยู่เท่าเนี้ยเสร็จแล้วก็อยู่ด้วยกันมาตอนหลังก็ไอ้นักเลงสุราก็มากล่อมก็ดื่มเหล้าเมาแอะนักขายสมบัติเกลี้ยงแก่แก่ก็เลยชวนตายายขอทานนะขอทานเนี่ยนะสรรัพยสมบัติที่เคยเป็นของตนก็ไม่เป็นของตนแล้ว นเราทั้งหลายเนี่ยก็เหมือนกันนะนะถ้าไม่เรียนธรรมะเห็นแก่ความสบายในตอนต้นจักเสียใจในตอนหลังเหมือนลุกกระเรียนเท่าที่อยู่ในโคลนตมที่ปราศจากนะะโคลนตมที่มันแห้งนะนะตัวเองก็บินก็ไม่ได้โคลนตมมันก็จะแห้งปลาก็ไม่ไม่เหลือแล้วนะก็อะไรก็ตายอย่างเดียวนะรอวันตายอย่างเดียวเชาตายอย่างเดียวผู้ที่ไม่รู้พระธรรมเห็นแก่ความสบายในตอน ต้นๆก็จะเดือดร้อนใจในตอนใกล้ตายกุศลเราไม่ได้เจริญไว้น้ออากุศลก็ทำไม่มากแล้วน้อยงเง้นะก็ไปไม่ดีละแต่ถ้ามาละลืกถึงในการศึกษาพระธรรมก็เป็นอย่างนั้นมาทบทวนนะว่าอัศา ธ, าธาสุขสมนัตที่เกิดจากอาศัยที่อาศัยเนคขมะเนี่ยนะอันนี้ควรเจริญเป็นอย่างมากไม่ต้องกลัวความสุขลักษณะนี้หรอก บางคนก็ว่าจนเลยทงก็ว่ากลัวความสุขไม่เจริญดอกสมถะเดี๋ยวติดสุขอีกเพรางั้นต้องให้ชีวิตมันแห้งแล้งเอาไว้นะแห้งแล้งแต่ไม่ไร้ความหวังใช่ไหมไร้ไร้ความหวังเลยไม่ไร้นะไม่ไร้ตัณหานะยิ่งแห้งแล้งเท่าไหร่นะตัณหาไม่ได้ลดลงอะไรเลยก็ถามดูว่าคนทุกคนยากเลยนะมีความตรารถนากับคนสุขสบายมากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันมากกว่าก็อย่างที่ว่า คนหิวกับคนอิ่มใครอยากมากกว่ากันคนหิวคนหนาวกับคนคนอบอุ่นพอดีใครต้องการผ้าห่มมากกว่ากันก็รู้ว่าความทุกข์เนี่ยไม่ได้ทำให้ตัณหาเหือดแห้งลงเลยในสูตรบางสูตรพระองค์ก็ตรัสอยู่แล้วว่าผู้ที่ไม่ได้สุขที่เกิดจากเนคขมมะนะที่จะละสุขที่อาศัยกามไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้ถ้าไม่ได้สุขอย่างอื่นมาชดเชยถ้าไม่ได้สุขที่ดีกว่าเยี่ยมกว่านะ จะไม่ออกจากสุขที่เกิดจากกามวันก็ต้องไปเจริญสุขที่เยี่ยมกว่าดีกว่าสุขที่ไม่มีทุกข์ไม่มีโทษเช่นสุขที่เกิดจากการเจริญสมถาวิปัสสนาเนี่ยนะนการเจริญวิปัสสนาที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้ทุกข์เลยมีในคาถาธรรมบทที่แสดงกล่าวว่าผู้ที่พิจารณาเห็นความเกิดและความดับของอุปาทานขันท่าเนี่ยนะเขาย่อมจะมีปีตินะปีติหรือปราโมทเนี่ยปราโมทที่เกิด จากการเจริญอันนี้ยเป็นอมตะของผู้เห็นแจ้งนี่คือเป็นอมตะเป็นเป็นความไม่ตายของผู้เจริญวิปัสนาเพราะผู้ที่พิจารณาใส่ใจถึงเหตุเกิดและความดับในอุปาทานขันธ์ห้าทั้งหมดได้เนี่ยนะเขามีปีตินะเขามีความสุขอย่างน้อยที่สุดรู้ทางออกแล้วนะรู้ว่าออกจากวัฏฏนี่ออกได้อย่างไงกย็ยินในใจลึกๆเลยนะก็เรียกว่าปรามโมทเนี่ยนะกย็ยินใจนะเออวิธีดับตาเนี่ยดับอย่างนี้คิดอย่างนี้ต้องดับได้แนะ่ ดับหูดับจมูกดับลิ้นดับกายดับใจต้องดับอย่างนี้ถ้าดับตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ทุกเป็นอันดับแน่เนี่ยนะเขาก็รู้อย่างนั้นก็อย่าลืมว่าการศึกษาการปฏิบัติธรรมดับทุกในปัจจุบันหรือดับทุกในภายภาคหน้ากันแน่ถ้าคิดให้ดีๆนะถามว่าเจริญสมถาวริปัสนาดับทุกในปัจจุบันหรือดับทุกในสัมปายภพบอกว่าถ้าทุกทางกาย การเจริญวิปัสนาบางทีไม่ได้ช่วยเลยดับทุกทางกายนะทุกขากายญาวิญญาณเนี่ยไม่ได้ด้วยเพราะว่าทุกขากายญาวิญญาณเนี่ยพระอรหันต์ก็ยังป่วยอยู่ใช่ไหมผู้เจริญวิปัสนาก็ป่วยแต่ดับโทมานัตทางใจเํางจะถา ม, ย อ, มาอย่างนี้พอดีครับสุดในเเวทันลสูตรมหาเวทันลสูตรอตรงไหนครับแสดงว่าวิปัสนาใกล้ต่อทุกส่วนสวนถมถะโทนาใกล้ต่อสุข จเจริญนิพพานแล้ว ม, มีทุกข์ด้วยหรอครับผู้ที่จเจริญวิปั ส, สนาโดยที่คือพอจเจริญไประดับหนึ่งเนี่ยนะอาจจะมีอายโยนิโสเข้ามาแทรกเพราะว่ามันเห็นแต่อะไรนะเหมือนอย่างว่าไปตรวจโรคอะนะมันเห็นแต่โรคโดยประการทั้งปวงหาชิ้นดีไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่งถ้ามองแบบชาวโลกก็คือดูแต่ปฏิฆานิมิตอยู่ตลอดเวลา ถ้าหากว่าไม่เยบคายเนี่ยจะมีโทรมนัตบ้างเป็นเป็นครั้งคราวผู้ที่เจริญวิปัสนาเบื้องแรกนยหรือใครที่คิดถึงทุกขาริยศัพท์ในตอนตอน้ตนๆนะพวกนี้จะโทรมนัตคือที่เขาโทรมนัตเพราะอะไรเพราะตันหามันลดลงพอตันหามันลดลงนะโสมานัตอาศัยการมมันลดลงเลยโทรมนัตอาศัยเนี่ยขมามันเกิดขึ้นแค่นี้ ก็เห็นใครนะก็บอกโยมเนี่ยคิดอะไรไม่ได้นะเห็นใครก็นี่ชาติปีทุกขาคิดเอาไว้มากๆนะเห็นใครเดินมาเห็นลูกเห็นหลานเห็นใครก็ทั้งเหินชาติปีทุกขาชาลาปีทุกขาเนี่ยสาธยายชูขาริยสัตว์เอาไว้มากๆเถอะวันหลังมาเลยบอกพระอาจารย์ทำไมมันไม่หนุกเลยเราบ่างั้นมันเครียดก็บอกมันก็เครียดอยู่แล้วล่ะเชื่อเออทําไมจึงเครียดรู้ไหมเพราะว่าไม่ได้เห็นคุณของเนคขมมะจริงๆ เพียงแต่ว่าเขาเชื่อเราเขาเลยไปทําตามแค่นั้นเองนะพอคิดตามจริงๆอ่ะนะก็ตัญหามันก็แห้งลงไปใช่ไหมปัญหามันงวดลงงวดลงก็ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้ดีใจว่าที่ลดปัญหาได้เนี่ยเป็นความชอบธรรมคือไม่ได้ดีใจว่าเออถ้าปัญหาลดได้นี่มันเยี่ยมคือไม่ได้ตั้งเนคขมะอัธยาสัยเอาไว้อย่างนี้ตั้งแต่แรกไม่ได้เห็นคุณของการออกจากสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่แรกก็เลยโทมนัสอันนี้ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้าไม่แยบคายก็เป็นอย่างนั้น แต่ถ้ามองว่าการดับฉันทราค้าในอุปาทานขันห้าเป็นการดับทุกข์แล้วเรามีความปรารถนาจะดับทุกข์อันนี้อย่างแรงกล้าถ้ายิ่งเห็นโทษของอุปาทานขันห้าเท่าไหร่เนี่ยนะก็จิตก็จะดีใจยิ่งกระโสมนัสเท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าใกล้จะพ้นทุกข์แล้วเนี่ยนะก็เหมือนอย่างว่าอ่คนที่เตรียมจะออกเนี่ยนะหาช่องทางที่จะออกได้เท่าไหร่ก็ก็ดีใจ คนที่เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตามากเท่าไหร่นั่นคือทางออกใช่ไหมก็ดีใจที่เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาของอุปาทานขันห้า